เหมือนเมืกันเห็ดเบื่อ เ, เห็ดเมาเครื่องวัดมีเครื่องบอกเห็นเด็กน้อยนอนมาเจ็บเห็ดหลวงตาไปดูเห็ดเขาเก็บมันก็ไม่มีเห็ดที่เป็นพิษแต่ใครไม่รู้จักเห็ดบางทีก็เป็นพิษเป็นโทษนะถ้าไม่รู้จกักอย่าเพิ่งไปกินเอามาให้หลวงตาดูก่อน หลวงตาเป็นนักเก็บเห็ดนี่แหละฮะเป็นเด็กนอเฉยๆเก็บเหตุแยตจังการได้ยินได้ฟังนี<ป>แล้วก็เกิดมีการกระทาต่อไปอีกเ <c oughs> มื่อมีการกระทาต่อไปเขาเป็นผลของการกระทําเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำ ให้ว่าจึงได้ต้องได้ยินได้เห็นมาจึงมีเหตุมีปัจจัยเรามีกายมีใจกายใจนี่ก็เป็นที่ตั้ง ของกุศลเหากุศลถ้าเราไม่รู้จะให้มันเป็นไปตามอาตราการที่มันเกิดขึ้นมันก็บางอย่างก็ป็นทุ์เป็นโทษแต่บางอย่างที่เป็นกุศลถ้าเราไม่ทำให้มาก ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ว่าเสื่งได้ยิตของเรนี่มันถ้าเราใช่ถูกก็เป็นประโยชน์ถ้าเราใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษจึ่งมาใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเพราะชีวิตที่เป็นรูปเป็นนามนี้มัน เกิดเจ่บเจ็บตายในขณะที่มันมีชีวิตอยู่นี้มันก็จะเลื่อนในทางเกิดเจ็บ เ, เจ็บตายไปทางเดียวไปสางเส้นเดียวมุ่งไปสู่ความแสบความเจ็บ ค, ความตายให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์ เราก็เห็นกันอยู่ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเกิดความโกรธ ก, รก็ทําตามความโกรธกรเป็นกรรมรเป็นทุกข์เป็นโทษจนถึงติดคุกติดรางถึงกับประหารชีวิต ก, ก็เห็นกันอยู่ชีวิตบางชีวิตทำเความดี เอาลูกวานน ม, มาทำความดีมาปฏิบัติมาสร้างสารรค์เช่นพระพุทธเจ้าเราพระสาวกผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายก็เห็นกันอยู่ได้สัมผัสอยู่ในธรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็ได้สัมผัสกับทุกข์ชีวิตอยู่ในธรรมที่ทำให้เกิดเป็น ก็มีธรรมที่พาให้เกิดสัมผัสกันอยู่นะเขาที่หลงนะเขาที่ไม่หลงนะเขาที่มีความโ ก, กรธนะเขาที่ไม่ได้มีความโกรธนะเขาที่มันมีความทุกข์นะเขาที่มีความทุกข์มัมกน ก, ก็มีอยู่โดยจึงมีการปฏิบัติธรรม จิง่งใดที่มันเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษเปลี่ยนมันให้เป็นให้ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษสิงโดที่เป็นคุณประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาให้มันหมดพิษหมดภอยขึ้นมานะจึงมีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้จกได้ยินได้ฟังมามากว่ามีบาอมีบุญ เราก็เคยทา บ, บุญมาเราก็เคยกลัวบาปมาถ้าจากได้บุญไปถึงไหนกลัวบาปไปถึงไหนน่าจะไม่ได้อยากได้บุญไม่ได้กลัวบาปถ้ามันเห็นแล้วถ้ามันมีแล้วไม่ต้องทำใช่เป็นเลยสิ่งที่เราทำ ที่เราได้เห็นในได้ทำํำเรามันก็เสร็จแล้วไปเมื่อมันแล้วไปก็ไม่ไไมต้องทําอีกมีแต่ใช้ไปเลยในกายในใจเรานี่ยมันแล้วมันจบเป็นไม่เหมือนอะไอื่นไม่เหมือนอาชีพอันอื่นอาชีพที่ได้ชีวิตเนี่ยมันจบกันถ้าจะเปรียบก็เหมือนวัดป่าสุขโขทูเนี่ย แก่กนมาได้อยู่นิ่งหน้าแรงก็ดับไฟป่าหน้าพ้นก็ปลูกต้นมไม้ปลูกมันได้ปลูกเฉยๆต้องรักษาจับมีดจับจอบจับเสียมเกือบตลอดทุกวันก็วาไา้เดี๋ยวนี้มีดก็ไม่ได้จับเสียมก็ไม่ได้จับจอบก็ไม่ได้จับ ไม่ได้ดูแลมันก็แล้วมันก็เฉื่แล้วไว้ก็หมดแล้วทนไม่เต็มพื้นที่จนแน่นหนานั่แล้วอะไรมันทีแล้วทำนาแล้วทำไรแล้ว ที่ทํามันก็ได้ใช้ประโยชน์อนั่นเป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมวัตถุที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่มันทําไปสิง ท, ที่มันทำไปได้คือมันเขี่มันเจ็บมันตาเราคอยกระทุกความเกิดความแก่ความเจ็บคองตายมันก็หมาชาส่วนที่เป็นนามธรรม อันนี้ทำให้เสร็จเหมือนกับรู ป, ปรธรรมถ้าเป็นไอ้คีพมันก็ไม่ใช่มันเสด็จเป็นบางกรณีเช่นสร้างบ้านได้อยู่ยก็ไม่ต้องไปสร้างอีง่ส่วนไอ้คีพทางหาปใจสจต้องหา ย, ยตลอดเวลา ในความขยันหมั่นเพียรรู้จักเสาะหารู้จักรักษารู้จักใช้จึงจะมีอยู่ได้นจนอาชีพทางจิตวิญญาณนี่มันก็ได้จากอาชีพได้จากเอาวัตถุลูรรมนามธรรมมาเป็นเครื่องมือให้มันแล้วเช่นเดียวกัน เราจึงมาทำอยากได้บุญนั่นก็จะเห็นบุญมีบุ ญ, บญกลัวบาปก็จะเห็นบาปปิดบาปได้บุญเกิดขึ้นได้แต่คนเราเคยทำบุญถิ่นท่าป่าสร้างวัดสร้างวาฝป ว, วดลูปวดหลานแล้วมีใครได้บุญ มีทําบุญมาหนี่ได้บุญไหมอาจจะตกเป็นได้อาจจะตกเป็นได้เพื่อบุญทุกคนก็เคยทําบุญมาอาจจะตอบป็นไดเ้เคยกลัวหมาป่ากลัวตกนรกแน่นอนไหมปิดอัมบายได้ไหมปิดนรกได้ไหม อาจจะไม่อาจจะตอบไม่ได้ของเขาโชว์การปฏิบัติน้าเคยเป็นลักษณะนั้นมาเคยอยากได้บุญสร้างกติคนเดียวถาบไม่เองเลื่อยไม่เองมาปลูกมาตั้งขึ้นหาแรงมาตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นได้ก็ ขึ้นไม่เองขึ้นคือขึ้นหลังคาเองมุงหลังคาเองคนเดียวเอาเชือกย่อนลงมาผูกสังกะสีมัดเป็นกลมๆดึงขึ้นไปเอือสี่แผ่นสามแผ่นดึงขึ้นไปก็ไปวางไว้รับมุงมุงเสร็จแล้วก็ย่อนเชือกลงมาลงมาผูกสังสีดึงขึ้นไปไม่อยากให้คนมาช่วยอยากจะทําคนเดียวลองดู มันจะได้บุญมากไป ม, มันก็ยังไม่เห็นบุญไม่รู้จักบุญยังอยากได้บุญอยู่ยังกลัวบาปอยู่จนได้ยินเรื่องกรรมฐานต้องห่อเทียบมาจะรู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปรู้จักเรื่องพุทธศาสนารู้จักเรื่องมรรคเรื่องผลปฏิบัติธรรมนี่ เป็นสิ่งที่เราสิงที่เราเป็นจำเลยเป็นโจท์ตังนี้กันอยู่ตลอดชีวิตเราเลยกระโดดเข้ามาศึกษาดูซิทํทำอย่างไรมาทำที่เราทำกันอยู่นี่มาปฏิบัติธรรมมาทำกรรมฐานที่ตั้งของการธรไมีกายไม่ใจแล้วก็ เปนรูปเป็นล่างขึ้นมามีความรู้สึกตัวภายในการมีความรู้สึกตัวภายในสุขในทุก amo. มีความรู้สึกตัวภายในกิจใจมีความรู้สึกตัวภายในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นสัมผสัสกับผิดสัมผสัสกับถูกสัมผัสกับทุกข์สัมผสั ส, ผสความไม่ทุกข์มันก็เกี่ยวข้องกับกิจ ก, กับใจกับกายโดยตรง อันกายอันจิตนี่มันเป็นเครื่องตกลุกฝึกไปมีสติไปรู้สึกตัวไปเปลี่ยนลายเป็นดีไปเปลี่ยนผิดเป็นถูกไปเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไปมันมีให้เปลี่ยนมันมีให้ทำ ม, มันก็ดีขึ้นพ้นจากเดิมพ้นจากเก่าจิตใจมันดีจิตใจมันดีกว่าเก่า ิใจชีวิตมันฉลาดกว่าเ่ามันรู้จักเลือกเป็นไม่โปนไปเอาเลือกได้มาแบบไหนเลือกได้ที่มันเกิดกับกายกับใจนี่เลือกได้เราให้มันดีให้มันสุดใึความดีดีดีกว่าดีที่สุดมีศึกษาดี มันก็ดีไปดีไปดีไปดีกว่าเก่าสิ่งที่ดีมันตั้งแต่ถิงที่ดีที่แรกดีที่แบบเห็นรูปเห็นนามดีแบบที่สองเห็นประมัดเก็เจากความคิดจิตดีแบบที่สามหมดจดจ่อเครื่องโศ่หมองสามดีซะ บางทีหลวงพ่อเทียนมาถามดูจบปุมไมยดูจบบาปไม่ดูจ ก, หจกเห็นได้สมผัดได้ปุญบาปปิดได้ปิดประตูนรกได้ปิดประตูอมายได้เด็ดขาดไม่ทั้งบาปเด็ดขาด อันที่มันเกิดจากกายจากใจนี้สิ่งใดมีแบบมันมีสิทธิที่เปลี่ยนได้จริงๆริงจะได้เป็นดีได้จริงจริงทำด้วยมือด้วยการกระทาของเราจริงจริไม่ผ่อนวอนไม่ขอร้องไม่อยากได้าจากให้ใครมาช่วยเป็นการกระทำเราเองเราทําดีจะได้ดีทำชัว่วจะได้ชัว่วอันนี้เด็ดขาด โธตัวละเรื่องบุญเรื่องบาปนะบุญที่มันเกิดจากชีวิตจริงๆกิงลายเป็นบุญอีกหลายหลาอย่างไม่ใช่เกิดได้บุญไปคนเดียวเป็นช่องทางคนเดียวสิ่งอื่นพาให้เกิดเป็นบุญขึ้นไปจากสิ่งทั้งหลายตายก่อนรักแต่พ่อแต่แม่แต่พี่แต่ น, อน้องโอมันเกิดบุญขึ้นมาจริงๆรลักคนเท่าโลกรัก เม็ดดินเม็ดหินเม h, ็ดสันรักก็ไม่ใช่รักเฉยๆช่วยเหลือปกผิดปกถูกถ้ามันหลงเปลี่ยนไม่หลงถ้ามันโกงก็เปลี่ยนไม่โกงถ้ามันทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ก็ปอกอย่างนี้มีคนที่มีหลงมีคนที่ยังมีทุกข์มีคนที่ยังมีโกงก็บอกอยู่อย่างเนี้เรียกว่า ได้พยายามได้บอกแล้สอนอยู่อะไรชินอกจากคนอันดื่นก็ทำลงไปสายสายหยายเพื่อให้เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบวิธีใดที่จะให้ในคนได้ศึกษาและนี่ควรควายอยากให้คนมาศึกษาดูอยากบอกอย่างนี้ลง ด, ดูมันจะเป็นไปได้ไหม าบอกจยางนี้ตายแล้วก็น่าจะจงะหยุดมันแล้วขอบอกขอพูดอย่างนี้แน่นอนที่สุดเด็ดขาดที่สุดความทุกข์ไม่จริงร้อยเปอร์เซนตความไม่ทุกข์จริงร้อยเปอร์เซนต์ไม่ความไม่เที่ยงจะให้เป็นความเที่ยงเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงร้อยเปอร์เซ ในความทุกข์จะให้เป็นความสุขเป็นไปไม่ได้ในสามมันลักษณะในการเกิดเจ็บตายสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำได้คือเพราวะว่าที่นามมาทำลูกทำนามทำนามมาลูกนี่บัตรดอนหนึ่งนามมาลูกไม่ใช่รูปนาะม นามรูปนั่นเป็นผลของรูปนามรูปนามเป็นเหตุให้เกิดผลให้ละความชั่วให้ทำความดีได้รูปนามมันเกิดเจ็เจ็บตายมันโชว์เลยละ่ะพอเห็นรูปเห็นนามเห็นความเกิดความแจกความเพียร ค, ค, ความตาย เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นควาไมวาไม่ใช่ตัวตนในรูปในนามนี้ไม่เป็นใหญ่มันได้เอาแล้ววันใช่มันแล้ววันแต่โกมันใช่เราเมื น, นี้พอเราเห็นอย่างนี้ใช่ให้มันคุ้มค่าใช่ให้มันรู้ใช่ให้มันละความชั่วใช่ทำความดีผลที่ละความชั่วผลที่ เกิดความดีได้เกิดจากรูปจากนาอันความดีความชั่วเป็นนา ม, มาธรรมมาทั้งแล้วก็เปลี่ยนนา ม, มาธรรมเรดิเนดีแปอันความอันลูกธรรมนามธรรมอ๋อสุขจากมันเต้นสุขจอมปอมอ๋อความสุขจากกายที่เป็นรูปอ๋อความสุขจากใจที่เป็นนามไม่สําเร็จ อยากไปความสุขความทุกข์ไล่ต่างกลัวความทุกข์ห า, า, ค, ว า, าความสุขเป็นอย่างนั้นในความแก่ความเจ็บความตา่างเป็นอย่างนั้นเราพอเราใช้มาให้สําเร็จประโยชน์เป็นร้อยเป็นดีเรามีมีภาวะเช่นนั้นที่ว่า น, นามมาลูกมีความสุขในนามม ก, กายจ่างเช่นหลายสวด เราเทย่ยธรรมในตนตรงมั้งตอนสุดท้ายองค์สุดท้ายสมมาสมาธิมีความสุขในนามกายเหนือสุขกหนทุ ก, กข์ในนามกายมีอุเบกขาในนามกาย วางได้มีสติที่สุดแห่งชีวิตที่ตรงนั้นมีความสุขในานามกายไม่มีความสุขในกายในใจนะพรเจ้าไม่เคยบอกแต่ปุถุชนหาความสุขในกายในใจหาได้วิ่งหนีซื้อเอาพ่นเอาผมเขืนเอากรโมยเอา พยันเหมือนเพียรหาความสุขในนามกายเวลานอนไม่ได้นอนออยอันนั้นไม่เจอสุขกาเป็นทุกข์ก็มีบางทีทุกข์กายเป็นสุขก็มีแนื่องจสมมุติปัญญัตริรูปในนามเป็นสมมุติบัญญัติใช่เองตามแต่จะบัญญัติของไข่ของมัน ไม่เหมือนกันในสมุดปัญญตัติไม่เหมือนปรมัตาจิตอันเดียวคือนา ม, มกายความสุขอันเดียวกันสุขแบบไม่แบบวางแบบอุเบกขาไม่อุเบกขามเสติวางสุขวางทุกขนั่ น, นคือความสุขในนา ม, มกายในานามธรรม มันต้องไปถึงโน้นอาสัยรูปธรรมเป็นที่เป็นเครื่องมือเหมือนลาบมาได้ยอดใหม่ยอดรูปยอดดามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ส่วนนามลูปมันจึงเหนือการเกิดแก่เจ็บตายกความแกความเจ็บควาตายเป็นเรื่องของรูปของน้ำ อันนา ม, มาัยกายนะไม่มีคําว่าแก่เจ็บตายอันนั้นเราสัมผัส ไ, ด, ไ ด, ด้เป็นความสุขี่็นเองด้วยอา ม, มิตรเป็นความสุขเองด้วยเนคขมมะเรียกเองด้วยดำริเองด้วยไม่มีอะไรเรียกว่าเนคขมมะความสุขในเนคขมมะไม่เหมือนความสุขในรูปในนามรูปนามอาศัยความสุขนามิตร อามิจฉุขนิ่และมิจุกสามิจฉุกฉุกในของรูกเนี่ยเป็นอามิจุกสุกเมื่อใดตาเห็นลูกหมูได้ยินจะาหมูได้กินเล่นในรถกายสมบัติใจคิดเอาอันนี้เป็นอามิจฉุกอ า, ายจริงเหล่านั้นจึงมีความฉุ ก, กแต่เชิงเล่านั้นไม่มีมก็เป็นความทุกข์ตรงฮะสกสุกสุ<บ>อันนี้อามิจุกสุขของลูกตาม สุขของนามมาลูกนามนามกายไม่มีไ ม, มไม่มีเกิดแก่เกิดตายไม่มีอามิตรนิลามิตรไปเองอามิตแลวเอกเนคมะเอกนคขมเอกความปล่อยวางเอกความจดุดจินก็ให้เป็นไปเองอันนั้นไม่ต้องอาศัยอะไรเรียกว่าจบซะ จบตรงนั้นชื่อเถอที่สุดแห่งทุกขที่สุดแห่งปัญหาจบได้จึงปฏิบัติธรรมเรื่องบุญเรื่องบาปจบกปัญธีดูจักรู้จักสัมผภพได้มีบุญได้ลับรองไม่มีบาปบาปติดได้เด็ดขาดแล้วลากระเด็ดขาดจะมีจีดขุมขีดขุมนะลก แต่เป็นเปรตยังไงแต่เป็นจิลจานอย่างไงไนปิดได้เด็ดขาดทางสารานต์นปิดเด็ดขาดปเปิดสวรรค์ปรเปิดมากเปิดขนได้เป็นบุญได้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์รู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนา คือคนเราไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นรูปเป็นนามมาพัฒนาให้มันมีศาสนาเป็นพุทธศาสนามาลู้มันตื่นมันได้ประโยชน์ความหลงแท้เป็นความรู้จะมาเรียกว่าพุทธอย่างไรงความโกรธแท้เป็นความไม่โกรธเป็นความรู้ความทุกข์แท้มาเป็นความรู้เป็นความไม่ทุกข์นี่แหละพุทธะอยู่ที่คน คนต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต้องเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนร่ายเป็นดีที่ว่าเปลี่ยนได้ทาได้ทุกชีวิตในความโกรธเปลี่ยนไมโกรธได้ทุกชีวิตมีสิทธิล่อยเปอร์เซ็นนี่คือชีวิตเรามันเลือกได้จริงๆมันเป็นสัตว์ประเสริฐชีวิตของคนเราเนะี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐ สามารถละชั่วได้สามารถทำความดีได้ก า, ารละความชั่วโดยเหงื่อไม่ไหลก า, ารทำความดีดยเหงื่อไม่ไหลที่เป็นความดีที่มักเป็นผลได้นเหมือนอาชีพทางรูปทางกายทางรูปทางนามต้องอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้มาอยู่มาเกน